ที่นี่ฮะถวัตก่อนนะฮะโอ้ถดดวัตเสร็จแล้วมันก็มาแล้วที่นี่หนวอาหารไหมละ่ะหนยวเลหน่อยอต่คุรัปภูก็ขันมือเดียวแล้วพวกคุณมันเอาไปหยกเยอเกินเล <c oughs> ยเหนยวไหมละ่ะ อดเอาะ่ะถ้าจะให้คนทำมันก็ไม่มีมีตจคนดๆและมันก็ไม่ค่อยจะถูกอีกเสียด้วยเพราะเป็นวัดป่าวัดป่าเราจะมาเลี้ยงอาหารกันตอนกลางคืนมึกกระตือคโคมวัดป่าชั้นมือเดียวมันก็ไม่เหมาะสม เขาจะตอบว่าปฏิบัติแบบบ้าๆล้อปูร่าเขาปฏิว่า <c oughs> ถูกไหมทีนี้เรานึกเห็นยังไงเราจึงปฏิบัติพระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนามีดีเด่นยังไงพระพุทธศาสนาไม่ได้ล้าสมัยหรอกหรือตอบ เราเมื่อความเห็นยังไงเราจึงปฏิบัติพระพุทธศาสนาถ้าเราไม่ปฏิบัติพระพุทธศาสนาจะเป็นยังไงวิชาของพระพุทธศาสนาไม่ใช่วิชาทําให้คนเป็นหมันหรอกหรือไม่ใช่จีดขวางวัตถุนิยมหรอกหรือตอบเราเห็นดียังไงเราจึงถือพระพุทธศาสนา หรือเราถือตามโลกาธิปไตยเห็นโลกเขาทำก็ทำเห็นประชาชนทำก็ทำถ้าไม่ปฏิบัติก็เกรงว่าเขาจะดูถูกปฏิบัติเพื่อเอาหมูหรือปฏิบัติเพื่ออะไรตอบมาด้วยอะ เราหมู่ปฏิบัติพระพุทธศาสนาอย่างนี้มันจะทันโลกเขาหรือทันราอเหตุอะไรฮะจิตใจก็สงบทีนี้ถ้าหากว่าไม่ปฏิบัติพระพุทธศาสนาจะเป็นยังไงฮะ คำสอนพระพรรุทธศาสนามีานมนุษย์มมสมบัติพรหมสมบัติมีมนุษย์สมบัติมีสวรรค์สมบัติไมีพรหมสมบัติมีนิพพานสมบัติไปในตัวหรือไม่หรือหากว่าไม่ทันสมัยเขาพระพุทธศาสนามีทั้งมนุษย์สมบัติมีทั้งสวรรค์สมบัติมีทั้งพรหมสมบัติบริบูรณ์เลย ผู้ที่จะถือพระพุทธศาส น, น, นาแน่นนะและไม่สงสัยเป็นผู้เชื่อกรรมและผลของกรรมพอถูกหรือไม่กรรมและผลของกรรมให้ผลในภพนี้และพบหน้าและผลเป็นลำดับมีหรือไม่ถ้าเราไม่หรือไม่มีใครเป็นผู้สร้างกรรมและผลของกรรมขึ้น ในสกุลละกายวายใจใจของเราเนี่ยใจเป็นูดสร้างคือเหตุใจไปในทางดีผลของใจก็ไปในทางดีเหตุใจไปในทางชั่วผลของใจก็ไปในทางชั่วทางดีแบ่งออกเป็นสองทางดีในโลกุตระทางดีในโลกีทางชั่วในโลกุตระ ทางชั่วในโลกีทางชั่วในโลกุตระคือชั่วยังไงคือความชั่วของพระสสดาบันความชั่วของสกทาคามีความชั่วของพระอนาคามีความชั่วที่เป็นโลกุตระนับวันจะร้อยหรอและเหงาแทงหายไปไม่เหมือนความชั่วต่ำกว่านั้นลงมาความชั่วต่ากว่าพระโวัสดาบาลลงมาเป็นความชั่วที่วนเวียนอยู่ไม่ สามารถจะล่วงถึงโลกุตระพระมีหลายบางทีส่วนความชั่วของพระสวสดาบันความชั่วของสักทาคามีความชั่วของพระอนาคามีเนี่ยดิ่งไปจนจะถึงพระอรหันต์แล้วไม่ได้ถอยหลังความชั่ว น, นั้จะนับวันน้อยหรอแลวหายไปและนับวันจะบวกดีจนถึงพระอนาคามี ส่วนพระหันนั้นดีก็ดีพอแล้วชั่วก็ละพอแล้วก็เลยอยู่เหนือดีเนือชั่วไปสักอะไพระน้ำเต็มตุ่มเต็มไห้แล้วเหตที่จะตักน้ำใส่อีกก็ไม่มีผลที่จะรับน้ำไว้ก็ไม่มีต้องไหลทิ้งแต่มันแห้งไม่เป็นเหมือนนา้า เมื่อเต็มแล้วก็เต็มเลยไม่ได้แห้งเต็มเหมือนน้าถ้าเทียบใส่เดือนถ้าถึงวันเพญแล้วก็เพนตะพตะผือไม่ได้กลับมาเรียมอีกเหมือนเดือนนี่หมายถึงความดีของโลกุตระมีสุภจรปโนเป็นต้นพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ที่ไหนเป็นตัวยังไงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ อยู่ในกามือของท่านผูานา้ใดหรืออยู่ในตัวหนังสือพุทธตัวพ่อพานสรุแล้วก็ตัวทอทหารสะกดทมก็ตัวทอทงแล้วก็ไม่หันอากาศทับเขียนตามภาษาบาลีแล้วก็ตัวมอมา่าสงสัง สอเสืององคอรักังพุทธธรรมสงอยู่ที่นั่นหรืออยู่ที่ไหนชาติธงชาติชาติอยู่ที่ไหนชาติอยู่ที่บุคคลผู้ระลึกถึงไม่ได้ที่รงชาติธงชาติสําหรับเตือนให้ระลึกถึงต่างหากชาติคือความเกิดหรือประเทศหนึ่งประเทศหนึ่งก็เรียกว่าชาติหรือมนุษย์ก็เรียกว่าชาติ ที่นี่ชาติไม่ได้อยู่กับธงอยู่กับผู้ระลึกถึงชาติใช่หรือไม่แล้วก็พุทธธรรมสงฆ์ก็อยู่กับผู้เคารพปฏิบัติใช่ไหมที่นี่บาปไม่ได้อยู่ที่ตัวบอสรอากับตัวปสกุบุญก็เหมือนกันก็นกคงอยู่กับใจผู้ทาบาปเกิดขึ้นลอยลอยไหม บุญเกิดขึ้นลอยๆอยไหมบาปกับ บ, กบุญวิ่งมาหาคนวิ่งมาหาหัวใจหรือหัวใจไปเกี่ยวข้องน้องน้าโคโคกระบือไปกินหรือน้องน้า ม, มาหาโคกระบือ ใครเป็นผู้บัญญัติดีและชั่วถูกเพราะเหตุใดสมเด็จพระบรมศาสตราจารย์เป็นผู้บัญญัติดีชั่วถูกเพราะเหตุว่าองค์ท่านไม่มีกิเลสผู้ที่มีกิเลสก็บัญญัติเข้าข้างตัวใช่หรือไม่ถ้าชาวโลก ตั้งบทกฎหมายหน้าเดียวว่าให้เอาคนหมู่มากเป็นประมาณนั้นจะมีทางเสียหายหรือไม่เพราะเหตุใดต้องมีทางเสียหายเพราะไม่ลดตําแหน่งกิเลสถ้าลดตําแหน่งกิเลสก็ไม่มีทางเสียหายเพราะเห็นแก่ธรรมแก่วิ น, นัยถ้าเห็นแก่ตังมันก็พาไปตกเหวตายหมดเห็นแก่พักแก่พวก เป็นแก่คอรับชั้นวิธีนะครับอธิกรณรในทางพระพุทธศาสนาสอนเนียบวุฒหมดวิธีไต่สวนก็สอนเนียบวุฒหมดแต่ชาวโลกจะเอามาใช่ถูกหรือไม่ถูกก็เป็นเรื่องของชาวโลกแต่พระบรมศาสดาบัญญัติว้ยมดแล้วไม่มีสิ่งที่บกพร่อง พระพุทธศาสนาไม่บัญญัตกิกล้วยมีไหมคําสอนพระพุทธศาสนาสิ่งที่ไม่ไดเอามาพูดมีหรือไม่แต่รู้อยู่ไม่เอามาพูดมีหรือไม่วันหนึ่งพระบรมศาสดากําเบประดูลายมาให้พระพุทธสงูงส่งทั้งหลายฟังดูพุกษุทั้งหลายไม่ประดูลาย ที่แห้งนี้อยู่ในพระหัตถ์ขวาของเรากับใบไม้ทั้งหลายที่อยู่ในชมพูทวีปอันไหนจะมากถ้าใบแห้งแล้วใบดิบอยู่นั่นใบที่ติดขั้วอยู่นั่นที่ติ ด, ๆๆตดกิ่งนทะี่ก้านอยู่ในมือพระหัตถ์ขวานี่ยไม่พอเชี่ยวพระเจ้าข่าที่อยู่ในชมพูทวีป ทั้งบิดทั้งทั้งทั้งหลนและทั้งติดอยู่ที่ก้านหรือกิ่งของมันม่นมีมากกว่านี้อโขเทียมไม่ได้อะไม่ประมาณไม่มีประมาณพระเจ้าค่ะชั้นใดก็ดีเราจะทาคตเทศอยู่ 45, สี่0 0บห้าพษาที่เรียกว่าไตรสิขาสีนสมาธิปัญญานั้นมีเพียงกามือเท่านั้นส่วนนั้นเราจะท้าคตรู้ดีอยู่แต่ไม่ไม่เป็นประโยชน์ แตาทากวดจึงไม่ได้เอามาพูดมันไม่เป็นเครื่องลดหย่อนกิเลสโลภโกรดหลงรักปู่เราตาาควจึงไม่ได้เอามาพูดไม่ใช่ว่าเราไม่รู้เรารู้หมดไม่ใช่ว่ารู้อันไหนจะเอามาพูดอันนั้นมันไม่เป็นประโยชน์แก่ผู้ฟังและไม่เป็นประโยชน์มันจะเพิ่มกิเลสกันหามานัตติติเราก็ไม่เอามาพูดพระบรมศาสดาไม่ใช่เราไม่รู้เรารู้หมดแล้วตัวทางใจโลกทาต จิงตรงกับคำว่าโลกวิถูเป็นผู้รู้แจ้งโลกพระบรมศาสดรพูดอย่างนั้นทีนี้คำสอนแต่และบทระบาดไม่ว่าในทางโลกทางธรรมก็สอดแสดงให้เห็นว่าพระสมาพระพุทธเจ้าของเรารู้หมดแล้วมีคนคนหนึ่งกราบเรียนพระบรมศาสดรพระบรมศาสีรันนี่ ถามอะไรก็ตอบได้เพงเลยได้ท่องบ่นไว้หรือไม่พระเจ้าข้าคนคนนั่นเขากำลังทำรถอยู่พระบรมสารี า, ากิกยอนถามนี่เขาเรียกว่าอะไรเรีย er กว่าล่อของมันครับนี่เขาเรียกว่าอะไรเรีย er กว่ากงของมันครับนี่เขาเรียกว่าอะไรนี่เรียกว่าเพลาของมันครับคุณได้ท่องไว้หรือไม่ไม่ได้ท่องเพราะเหตุใดเพราะชำนาญเราอถาคตก็เหมือนกันเพราะชนานาญ สิ่งไหนที่พระบรมศาสดาไม่รู้เป็นไม่มีเลยทำไมพระบรมศาสดาจึงไม่สั่งสอนลูกระเบิดปรมาณูลูกระเบิดนิวเคลียร์ล่าสมัยแม่ทันเขาดอกหรือเพราะเป็นทางคัดต่อ การเบียดเบียนตัวนท่านผื่นเวนสนองเวีนภัยสนองภัยจึงไม่ได้เอามาสอนแต่ชาติที่เป็นการเกษตสินชัยนั่นก็ไม่ว่าแต่เท่านั้นรบราฆ่าฟันกันเสษคาถาใส่แล้วก็ขี้ใส่ใตายหมดขี้ให้คืนก็ได้เราจะว่า เราจะว่าพระพุทธศาสนาเวลากำลังสร้างบารมีอยู่นั่นไม่เกง่งไม่ถูกนะเมื่อสร้างบารเมเรีเต็มแนวไม่เอามาสอนแต่ว่าชี้ให้เขาคืนชี้อย่างนี้ตายมดชี้ให้คืน อ, อีกเยแล้วสั่งสอนให้เขามีชิ้นห้าด้วยลบกับยักษ์เราจะไปภาษาอะไรก็พวกทุกวันนี้นัน ผ่านมาแล้วเรื่องผิดพระบระมาศาสัตตนาก็ผ่านมาแล้วเรื่องถูกเทพบ ร, รมาศาสัตตนาก็ผ่านมาแล้วเหตุ น, นั้นจึงเอาแต่คําที่เป็นมงคลมาสอนพวกเราไม่ใช่ว่าองค์ท่านไม่ได้ผ่านไม่ได้เจอไม่ได้เึอไม่ได้ประสบการณ์มาแล้วประสบการณ์มาหมดแล้วคําสอนพระพุทธศาสนาเป็นอาจารย์นั่งสองทางทางที่ไม่ดีก็เป็นอาจารย์ให้เว้น ทางที่ดีก็เป็นอาจารย์ให้ปฏิบัตินะเป็นอาจารย์ทั้งสองทางไฟก็เป็นอาจารย์ทั้งสองทางถ้าเราไปเหยียบมันหรือไปลุมลุ่มหลุมสานเพลิงอย่างนี้มันก็เป็นอาจารย์บอกสอนเยถ้าเราเย็นมันก็เป็นอาจารย์ไม่ให้เหลือร้อนนะก็ปฏิบัติทั้งสองทาง เกิดเกยเจ็บตายก็เป็นอาจารย์จะทำดีก็เพราะได้เกิดมาทีนี้เกิดเก่์เจ็บตายมันก็เป็นทุกข์ก็เป็นอาจารย์ให้เคหลาบเหมือนกันวิชาพระพุทธศาสนาสอนไม่ให้มาเกิดเก่์เจ็บตายอีกสอนให้ลดจำเหน่งโลคโกรธหลงแต่เมื่อเราไม่มีโรคไม่โกรธไม่หลง เลยทุกๆุท่านก ân, ็ปฏิเสธพระพุทธศาสนาได้ถ้าเรามีโรคมีโกรธมีหลงอยู่เราจะปฏิเสธพระพุทธศาสนา ม, มันก็บ้าจริงๆใช่ไหมเอา้าถ้าไม่ลดตาแหน่งกิเลสทีนี้กฎหมายจะตั้งขึ้นสีน่นัานา์มันจะอยู่ไหมมันก็ไม่อยู่ใช่หรือไม่นะมันต้องลดตําแหน่งกิเลส เพียงเสียงห้าบริบูรณชาวโลกก็สงบแล้วโซ่ตรวนไม่ต้องมีขายของไม่ต้องเฝ้าเรือนจำก็ไม่ต้องมีตำรวจก็ไม่ต้องมีทหารก็ไม่ต้องมีเวรสนองเวรก็ไม่มีภัยสนองภัยก็ไม่มีเ ส, สียงต้องไห้ร้องโหมก็ไม่มี วิ่งลาววิ่งไทยก็ไม่มีวิ่งแกล้ววิ่งจีนก็ไม่มีโรคเอดก็ไม่มีใช่ไหมเพราะมีครอบเกลอืมสิ่งไหนที่ส่งเสริมราคะให้จัดขึ้นสิ่งไหนที่ส่งเสริม โทสะโมหะให้จัดขึ้นไม่ใช่คำสอนของพระพุทธศาธสน า, สานุ่งน้อยห่มน้อยสงเสริมราคะใช่หรือไม่ <c oughs> อย่าละอายนะพวกผู้หญิงพูดเหมือนคนกันเองพูดเหมือนกับลูกลูกห ล, กลา น, นอย่าประหามวาลปู่พูดพุษธะวายาพูดคำหยาบ สัมผับปราปพูดเพื่อเจอไม่สมฐานะของพระปฏิบัติหลวงปู่ข้อม่ยอมพูดอย่างนั้นพระมีเจตนาต้องการให้ลูกหลานรู้จักธรรมะชัดเข้าที่นี้ถ้ามีสินหาบริบูรณ์ชาวโลกของเรา ขายของก็ไม่ต้องเฝ้าใช่ไหมอันนี้ราคาเท่านั้นอันนั้นราคาท่านั้นอันนั้นราคาเท่านั้นก็เขียนไว้เขาเกรงว่าลมจะพัดหนีเขาก็เอาอะไรมาทับไว้ตอนเย็นก็มาเก็บเอาเก็บเอาเก็บเอาโซ่ตรวนก็ไม่ต้องมีกุญแจก็ไม่ต้องมีหีบก็ไม่ต้องมี ตู้ก็ไม่ต้องมีก็มีแต่เฉพาะรักษาหนูเท่านั้นหนูหัวดําไม่ต้องอะไรรักษาเน่ยถูกไหมพ้นจี้ก็ไม่มีตำรวจทหารก็ไม่ต้องมีเครื่องรบราข้าวฟันก็ไม่ต้องมีมีแต่เครื่องก่อสร้างเท่านั้นนะ เสียงร้องไห้ร้องโห o m ก็ไม่มีถ้าไม่มีพระพุทธศาสนาแทรกแซงอยู่ในโลกนี้เสียงร้องไห้ร้องโห่มเสียงสาบเสียงแช่งเสียงนมโมทัสสะไม่ได้ยินเลยเสียงอรหังส ม, มาก็ไม่ได้ยินบุตกรรมพุทโธก็ไม่ได้ยินมิแต่ให้มันคิบหายตายความอย่างนั่นอย่างนี้สารพัดอะ กลิ่นของโลกจะเป็นยังไงถ้าไม่มีพระพุทธศาสนาแท้แทงอยู่ในโลกก็คือกลิ่นเหม็นนั่นเองเพราะฝังและเผาไม่ทันเสียงคนผู่คนยา่าคนตาคนยายคนหนูคนพี่คนน้องคนครูคนอาจารย์มีเพราะเอาออกมาจากไหนเอาออกมาจากอายุวนโนสุขังพลังของพระนั่นเองถูกไหมถ้าไม่มีอายุวนโนสุขังพลังของพระ มันก็มีแต่เสียงร้องให้ร้องโ hom เราเป็นศาสนาพุทธก็ไม่ควรจะส่งเสริมราคะให้จัดขึ้นไม่ควรจะส่งเสริมโธสะให้จัดขึ้นหรือโมหะให้จัดขึ้น ถ้าหากว่าไม่มีผู้ทาผิดพระพุทธศาสนาจะบริบูรณ์หรือไม่มีผู้ทาผิดพระพุทธศาสนาจึงบริบูรณ์เมื่อทําผิดก็ได้รับผลของความผิดจริงถึงจะตัดสินถูกหรือไม่ถูกไม่เป็นปัญหาผลของกรรมจะตามอยู่ข้างหลังไม่ต้องสงสัยเลย ผู้เชื่อกรมและผลของกรรมก็คือผู้เชื่อพระพุทธศาสนานั่นเองผู้เชื่อกรมและผู้ไม่เชื่อกรมและผลของกรรมก็คือผู้สงสัยพระพุทธศาสนานั่นเองกรรมและผลของกรรมจะให้ผลแต่ผู้ถือศาสนาพุทธเท่านั้นก็หาไม่ให้ผลทั่วไปทั่วทั้งไตโลกา ใครจะบรญญัติถูกหรือไม่ถูกก็ไม่เป็นปัญหาเช่นกบกับงูก็ดีหนูกับแมวก็ดีเขาไม่รู้จากบุญจากบาปเขากัดกันกินเป็นอาหารหรือตายที่งก็ดีมึงกัดกูชาติหนี้กูก็กัดมึงชาติหน้ามึงตายเป็นงูกูก็ตายเป็นกบมา เอากันอยู่นั่นกูทีมึงทีอยู่นั่นนะเหมือนเราหายใจเข้าหายใจออกอะ่ะนี่มันก็ไม่ยอมเสียเปียบมันก็หายออก อ, อีกอ่ะกูทีมึงที <c oughs> อะไรพาเราเกิดมาความหลงใช่หรือไม่ถ้าเราไม่อยากมามันได้มาไหมมันก็ไม่ได้มาเราไม่ต้องการเราไม่ต้องการเกิดมันมันมันจะเกิดไหมมันก็ไม่ได้เกิดเราไม่ต้องการมาภูนี่มันไม่ด้มันมันก็ไม่ได้มาเหมือนกันใช่ไหมนั่น ถ้าเราเบื่อหน่ายเกิดแก่เจ็บตายแล้วเราก็ไม่ได้มาเบื่อมาเกิดแก่เจ็บตายอีกเขาก็ถามว่าลูกปูลปูกปูทำยังไงจึงจะละโลคละโกรดละหลงได้ถ้าเห็นว่าโรคมันเป็นของอร่อยอยู่มันก็ละไม่ได้ถ้าเห็นว่ามันเป็นไพร์โต้ ง, ต ง, ตงมันก็ละได้เป็นภัยหน้าดีอ๋อโกรดก็เหมือนกั น, กนถ้าเห็นว่ามันเป็นของอร่อยพอใช่พอสอยอยู่มันก็ละไม่ได้ <c oughs> ถูกไหม หลงก็เหมือนกันทำไมเราจึงทำสมาธิให้หยุดยัง่งสมาธิเปรียบเหมือนอะไรเปรียบเหมือนเราทำงานมันเหนื่อยนักก็หยุดพักซะแต่ถ้าพักนานงานก็ไม่ได้เพราะมันยังไม่เสร็จเหมือนเรือข้ามมหาสมุทร ถ้ารมณ์จัดมามากก็ต้องทอดสมอเพราะเก่งจะไปพิษพาชันในก็ดีถ้าอารมณ์ฟุ้งซ่านเกินไปก็ต้องหยุดพักอารมณ์อ่านว่าอารม ณ, รมณ์นึกคิดอา่านว่านึกคิดถ้านึกคิดไปในทางดีไม่เบียดเบียนตอนนัะผู้อื่นก็ปล่อยมัน ถ้านึกคิดไปทางทั่วก็ต้องห้ามเบรกจะห้ามมาให้มันนึกคิดมันก็ห้ามไม่ได้เหมือนโคและกระบือถ้ามันกินอยู่ดีๆก็ไปไล่มันมันก็ไม่ได้กินอาหารไลท่ทางขึ้นทางล่องมันก็ไม่ได้จะให้มันอยู่นิ่งๆมันอยู่ไม่ได้ ถ้ามันไม่มีมมมทางเสียหายก็ปล่อยมันเหตุฉะนั้นฉันจึงยืนยันว่ามารรคารมมาธรรมามรรคารมคือเหตุเหตุอารมณ์ที่ไปที่เลกไปในทางดีผลของความดีก็สัมปยุตอยู่ที่นั้นเหตุเลืกไปทางชั่วผลของความชั่วกว็สัมปยุตอยู่ที่นั้น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 อันนั้นเป็นวิชาของพระโสดาวันปากสาหรับกินไม่เป็นประโยชน์ก็ไม่กินหูสำหรับฟังไม่เป็นประโยชน์ก็ไม่ฟังตาสำหรับดูไม่เป็นประโยชน์ก็ไม่ดูหลังสำหรับนอนถ้าขวากน้าก็ไม่นอนใจสำหรับนลกคิดสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ก็ไม่ควรลกคิด เหตุนั้นพระบระมาศาสดาจึงว่าเราอยู่เหนือจิตเราไม่อยู่ใต้อํานาจของจิตจิตที่นึกไปในทางที่ไม่ดีเราก็ห้ามมันซักไม่ส่งเสริมมันอาวนาจพารานังไม่คบพานชาดชาเป็นมิตรควรลบคบบัณฑิตอันนั่นถูกดูทีนี้ไม่ควรอย่าคบผ่านชาดชาเป็นมิตร ในด้านปรมัดในด้านอปฏิบัติในด้านลึกกว่านั้นนี้จิตที่นึกไปในทางเบียดเบียนตนและผู้อื่นอย่าไปคบมันจิตที่หนักไปในทางกามารมก็อย่าไปคบมันต้องห้ามเบรกมันจิตหนักแปใทางโทสะรมก็อย่าไปคบมันห้ามเบรกมันนิสชมากระนังเสยโย ใครควรเสียก่อนแล้วจึงทําเสียเลยดีกว่าพระบรมศาลาถึงแม่พลาดก็นับสิบลุกอยู่ถ้าไม่ใครควรเสียก่อนแล้วพลาดก็นับสิบไม่ลุกจังเวเสวิติตายดิโสคบคนใดก็เป็นเช่นคนนั่นแหละคบคนดีก็มีสีแก่ตัวเหตุฉะนั้นพระบรมศาสลาจึงสอนอย่าคบผ่านชาติเาเป็นมิตร ควรนบคบบันดิตถ่าพูดอนยะ่างนั้นอันนั้นเป็นของภายนอกของภายในก็คือขณะจิตที่เบียดเบียนตัวนล้ผู้อื่นก็ไม่ควรครบมันไม่ควร ส, งส่งเสริมมันอันนี้เป็นปรมัตัทางเราจประปฏิบัติส่วนลึกกว่านั้นส่วนคบคนกินเหล้าเราก็ต้องกินกับเขาใช่ไหม ถ้าเราไม่อยากจะดื่มสุราแต่ไม่ให้กระทบกระเทือนเราจะปฏิบัติยังไงถ้าผู้ใหญเสียดายอยากดื่มสุราอยู่ผู้นั้นก็ไม่ถึงพระโสดาบันถ้าเขาชวนดื่มสุราถ้าถ้าเราไม่อยากดื่มก็ไม่เป็นปัญหาเรายกมือขึ้นแล้วก็บอกว่าผมเป็นโรคครับ แต่ก่อนผมไม่ได้เป็นเดี๋ยวนี้ผมเป็นโรคโรคอะไรโรคบาปโรคชิหายเงินแต่เราไม่อธิบายนี่นี่ผู้ใหญ่จูมผู้ใหญ่จูมผิวขาบ้านหอยทรายแก่ไม่แก่แก่ไม่กินเล้า เป็นผู้ใหญ่บ้านท่านนายอำเภอเอาเล่าให้ผู้ใหญ่จูมใช่หนือยกมือแบบแบกขวัญยกมืออนโมทนาเอาาอใช่กรเอไม่สู้ผู้ใหญ่จูมไม่ได้ พระก็เหมือนกันที่แรกเราไม่ดื่มสุราเขามาลวงเขามาหลอกให้เราดื่มสุราเขาก็ซื้อให้เรากินเลยนี่ยพอเรากินติดแล้วเขาก็ไม่ซื้อเลยนี่ยพระก็เหมือนกันเนบุฉันเพนพระเจ้าข่า เ, เพราะมันหิวได้ฉันหรือกับผมจะเนบุฉันแต่ฉันจริงๆเขาก็ไม่เอามาให้ใเอย เขาขี้เกียจแล้มาให้อันเดียวกันเลยภาวนาเรื่องภาวนาไม่อดเนอใครจะภาวนาอะไรได้ทงนั้นกําหนดรมหายใจเข้าออกรมหายใจเข้าออกนี่กรรมาฐานในใจโลกธาตุดึงมาใส่ได้ทางนั้นพุทธโธคล้องลมหายใจเข้าออกก็ได้ พิจารณาความตายพร้อมกับลมหายใจเข้าออกก็ได้พิจารณาทุกข์พร้อมกับลมหายใจเข้าออกก็ได้พิจารณาอนิจจังพร้อมกับลมหายใจเข้าออกก็ได้พิจารณาพระนิพพานพร้อมกับลมหายใจเข้าออกก็ได้พิจารณาทำอันปาทิจักราคะพร้อมกับลมหายใจเข้าออกก็ได้พิจารณาทำอันปาทิจักโทสะพร้อมกับลมหายใจเข้าออกก็ได้ตั้งสติหายใจเข้าพร้อมกับลมหายใจเข้าออกก็ได้ตั้งสติหายใจออกพร้อมกับลมหายใจเข้าออกก็ได้ ทำกิดให้บันเทิงในการหายใจเข้าก็ได้ทำกิดให้บันเ ท, ทิงในการหายใจออกก็ได้เรื่องจิตหายใจเข้าก็ได้เรื่องจิตหายใจออกก็ได้จะพิจารณาความเป็นของมันที่อย่างหายใจเข้าจะพิจารณาทำมันเป็นของมันที่อย่างหายใจออกจะพิจารณาทุกหายใจเข้าหายใจออกได้ทั้งนั้นกับกรรมฐานอันนี้อยู่แล้วจะสงบก็สงบอยู่ที่นั่น ศีลก็คือตัดศีลลงในกรรมฐ า, านที่เราตั้งไว้สมาธิกดรั้งมันในกรรมฐ า, านที่เราตั้งไว้ปัญญาก็รอบรู้ในกรรมฐ า, านที่เราตั้งไว้ตกลงศีลสมาธิปัญญาดููด้วยกันพุทธธรรมสง์ก็ทรงอยู่พราะกบลมหายใจเข้าออกแปดเปิดสีพระธรรมขันธ ก็มีอยู่พร้อมกับลมหายใจเข้าออกเหตุนั้นพระบรมศาสดาจึงทรงพระสรเสรทศว่าลมหายใจเข้าออกนี่จะดึงแปดหมืนสีพระธรรมขันธ์มาใส่ก็ได้ทั้งนั้นจะเอากรรมฐานใดๆมาใส่ก็ได้ทั้งนั้นเมื่อจับปรอมอยู่แล้วอันอื่นก็จับอยู่หมดผมขนและฟันหนังเและเอ็นกระดูกก็มีอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกคุณ พ, พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็มีอยู่ทุกลมหายใจเข้าออก ศีนสมาธิปัญญาก็มีอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกดึงใส่หมดได้เห็นลมหายใจเข้าข้างหนึ่งก็เห็นทั้งความเกิดขึ้นและแปรและดับไปก็เว็นไทํามใจต้องการก็เห็นโลกรอบหนึ่งแล้วเพราะโลกเต็มไปด้วยอนิจจังเห็นอนิจจังขณะจิดหนึ่งพร้อมกัดลมหายใจเข้าออกก็เห็นโลกรอบหนึ่งแล้วเห็นทุกขณะจิดหนึ่งพร้อมวัดลมหายใจเข้าออก ก็เห็นโรครอบหนึ่งแล้วเห็นดินน้ําไฟลมขณะดพ่อเปาโลพระใจเขาออกก็เห็นโรครอบหนึ่งแล้วพลเพราะโรคจะไปด้วยดินน้ําไฟลมพระเปาศาสานาไปบินธบาร์วันนี้อโนอนเอย๋ยเราไปเช่าตรูมากเราแวะไปหาพวกศาสนาอื่นนี่เถิดน่ะถ้าเราแวะไปเขาจะรับเราหรือเพระเจ้าข้าเขาต้องรับ เขาต้องหาอาสนะมาให้เรานั่งเพราะวันนี้มันเช่าเกินไปพวกเราแวะนี่ก่อนเถิดถ้าเขาไม่ต้อนรับเราเราจะไม่ละอายเขาหรือเขาทนไม่ไหวหรอกเรารู้ดีแล้วอานุนเอ๋ยพระพรมศาสัาเขาไปเออพระสมณะโคต ม, มาแล้วเขาปูอาสนะให้พระพระองค์ก็ทรงนั่งพระอนุน์ก็นั่งร่วม เพราะมันยังเช่าอยู่ไม่ได้เป็นธบัตรพวกคุณสนทนาอะไรกันได้ยินพวกคุณสนทนากันแล้วก็พวกอาตมาก็คิดอยากสนุกด้วย<ม>ก็จึงแวะเข้ามาหาสนทนาเรื่องวิชาพมรโลคก็เจา้าค่ะวิชาพ ม, มาโรคของพวกคุณคือทำอยังไงยืนขาเดียวอ้าปากกินลมคลานกินอาหาร นอนขวกนอนหนาวยา ก, ออากกิเลสเอารำบากริงของพวกเธอของเราจตถทาคตไม่ได้รำบากมีกิจเลื่อมใสในพระพุทธธรรมพระสงฆ์และอธิษฐานด้วยว่าจะถึงพระพุทธธรรมพระสงฆ์เป็นสรระตราบเท่าเข้าสู่พระนปาลแลกได้ไม่ได้ก็ดีขอปูขาดจองขาดอยู่ทุกเมือ่อ เท่านี้ก็เป็นวิชาพรมโลกไม่ได้ลํำบากของเหมือนพวกคุณพระบรมศาสดาวิชาพรมโลกนะวิชาสวรรค์ก็เหมือนกันไม่ลาบากทาไมเราจึงไม่ยินดีในพระในพานทําไมเราจึงยินดีในโลกมนุษย์อยู่ สวัสดีเดงให้เห็นว่าบาลมีของเราก็ยังอ่อนอยู่บ้างเพราะเรายังไม่เห็นโลกคุณค่าของโลกมีเพียงไหนเกิดขึ้นแล้วก็แปรปวนและแจกสลายทั้งที่มีใจครองและไม่มีใจคลองเมื่อเห็นโลกเต็มไปด้วยความไม่จีรังยังยืนแล้วจิตใจจึงจะเหนียวถึงพระนปาล คำสอนในใจใๆโลกธานสอนหมดไม่มีที่เหลือหรอสอนถึงนิพพานด้วยถ้าพระพุทธศาสนาสอนเพียงแต่ในมนุษย์โลกไม่ได้สอนถึงสมบัติพรหมโลกหรือสวรรค์หรือนิพพานแล้ว ก็เป็นไปไม่ได้เพราะมนุษย์โลกก็ดีเทวโลกพรมโลกก็ดีอยู่ใต้อำนาจอนิจจังมีพระนิพพานสิ่งเดียวไม่ได้อยู่ใต้อำนาจอนิจจังเลยเหนืออนิจจังทุกครั้งอนัตตาไปแล้วมีแต่สุขรวนรุ่นเหนือดอกนั่นก็มีสุขเกือปนมีทุกเกี่ยวปนสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นก็เป็นทุกข์หมดไม่น้อยก็ต้องมากในใจโลกธาตุเป็นของไม่เที่ยงถ้าท่านเกิดขึ้นแล้วกแปลปนแลแตกสลาย เราอยากเห็นใจโลกธาตุด้วยปัญญาอันชัดเราก็พิจารณาอเนจังทุกครังอานาตาอยู่กับที่ไม่ใช่ว่าเราจะไปเที่ยวดูโลกเสียก่อนเราจึงจะเชื่อมันก็ไม่ถูกเห็นดินคณะคิดเดียวก็เห็นโลกรอบหนึ่งแล้วเพราะโลกจะไปด้วยธาตุดินเห็นน้ําเห็นไฟเห็นลมก็เหมือนกันเห็นความเกิดขึ้นแล้วดับไปก็เหมือนกันเขาเห็นโลกครบแล้วอ่ะเห็นนั้นจึงไม่สงสัยในโลกทั้งภู โรคภายในคืออะไรคือตาหูจมูกลิ่นกายใจโรคภายนอกคือรูปเสียงกลิ่นรสบทดสัพะธรรมารมสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นแล้แลปรปรวนได้แตกสลายเหมือนกันไม่ได้อยู่ในอำนาจของท่านผู้ใดเลยที่เราสมมติว่าของเราของเราอย่างนี้ก็เพื่อให้รู้จักความหมายกันต่างหากถ้าอย่างนั้นก็พูดกันไม่ได้ แต่ว่าจะติดอยู่ในเพียงสมมุติมันก็ไม่ถูกใครเป็นเจ้าของสมมุติก็ไม่มีใครเป็นเลยใครเป็นเจ้าของสมมุติก็ไม่มีใครเป็นเลยธรรมะชั้นสูงอใครจะเป็นเจ้าของสังขารไม่มีใครเป็นสังขารเจ้าของสังขารเลยใครเป็นเจ้าของพญพานก็ไม่มีจงรูปสังขารตามเป็นจริงของสังขารจงรูปพระิพานตามเป็นจริงของพญพาน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 ก็ไม่ดับไม่เป็นของว่าเราก็ตายแล้วเกิดเกิดแล้วตายอยู่นี่เราพ้นจากสิ่งทั้งปวงโลกอดีตเราก็ไม่ติดอยู่โลกอนาคตเราก็ไม่มุ่งหวัง โรคปัจจุบันเราก็รู้ตามเป็นจริงของสังขารและกองทุกข์อดีตคืออะไรคือสังขารและกองทุกข์ที่ล่วงไปแล้วอนาคตคือสังขารและกองทุกข์ที่ยังไม่มาถึงปัจจุบันสังขารและกองทุกข์ที่กำลังเป็นอยู่เราเห็นชัดอย่างนี้แล้วเราก็เปิดประตูภายในพานไปในตัวคือดับเพลินในโลกอดีตโลกอนาคตโลกปัจจุบันรู้ตามเป็นจริงปฏิบัติตามเป็นจริงลุดพ้นจากความหลงตามเป็นจริง เราไม่ได้หลงอดีตเราไม่ในหลวงอนาคตเราไมา่ในหลวงปัจจุบันเพราะอาดีตอนาคตปัจจุบันมีเงื่อนไขเป็นอันเดียวกันอดีตก็คือนิทานของปัจจุบันที่ล่วงมานั่นเองอนาคตก็คือนิทานของปัจจุบันที่ยังไม่ถึงนั่นเองไอ้ที่แท้ก็เกิดดับเสมอกันหมดไม่มีอันไดยิ่งย่อนกว่ากันคำพูดแต่ละบทแต่ละบาทพูดแล้วก็ล่วงไปพูดแล้วก็ล่วงไปนี่คืออนิจจังอันละเอียด พระพุทธศาสนาสอนให้ฉลาดเหนือความโง่ของตนเองสรุปมาสอนให้ฉลาดเหนือความรู้เหนือความหลงของเจ้าตัวจึงจะได้ไม่มาหลงอีกพวกเรายังอยู่ใต้อํานาจของความหลงจึงได้มาเกิดหลงอยู่ถ้าชนะความหลงแล้วก็มาได้มาเข้าสู่พระ涅槃ไปแล้ว หลงมีอยู่กี่อย่างหลงหนังหุ้มว่าเป็นของเที่ยงหลงหนังหุ้มว่าเป็นของสุขหลงหนังหุ้มว่าเป็นของตัวตนจริงๆจังๆจนแกะไม่ได้คลายไม่ออกหลงหนังหุ้มว่าเป็นของสวยของงาม ถ้าหลงร่างกายของตัวเองแล้วก็ไปหลงร่างกายท่านผู้อื่นเหมือนกันถ้าหลงธาตุ ด, ดินน้ำไฟลมอยู่ที่นี่แล้วก็ไปหลงธาตุ ด, ดินน้ำไฟลมข้างนอกเหมือนกันมือนี้มือนี้จะเต่งขึ้นงามซักเพียงไหนก็าตามก็พังลงไปเป็นดินดยอดอยู่ใต้อํานาจอันนี้จังเป็นธาตุ ด, ดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมนั่นเองไดใดในโลกร้วนอันนี้จัง ได้ในโวกนุวนทุกขังได้ในโรกนว่นอนัตตาอย่าสงสัยเลยนาทั้งอดีตทั้งอนาคตพระนาคาเมีบางพระองค์พิจารณาอยู่ที่ขัอเวิหาอัตปาสุสสาสุาสีหรืออยู่ในมนุษย์โลกไม่เทียเท่ยงไม่เที่ยงไม่เที่ยงอยู่ไม่มีกลางวันกลางคืนบางพระองค์ก็พิจารณาทุกทุกทุกทุกอยู่ไม่มีกลางวันกลางคืน บางพระ อ, องค์ก็พิจารณาว่าไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราอยู่ไม่มีกลางวันกลางคืนพระอนาคามีส่วนพระหันจะพิจารณาอะไรก็ไม่ลำบากเพราะไม่มีสิ่งที่ติดอยู่แล้วเหมือนมีดเฉือนน้ำจะเฉือนวันยังค่ำมันก็ไม่ติดเหมือนนกบินในอากาศจะบินวันยังค่ำมันก็ไม่มีรอยอันนั้นท่านผู้คนไปแล้ว เพราะไม่มีผู้ยึดถือเอาเป็นเจ้าของสิ่งไหนที่ไม่มีผู้ยึดถือเอาเป็นเจ้าของสิ่งนั้นก็ไม่มีโทษสิ่งใดที่มีผู้ไปยึดถือเอาเป็นเจ้าของจะเป็นของหาโทษมาได้สิ่งนั้นย่อมไม่มีในโลกผู้เขาก็เหมือนกันใครมาก็ผู้เขาผูเขาไม่รู้ว่าผูของใคร ผมผมไม่รู้ว่าใครเป็นผมก็สมมติกันพอให้รู้จกกากความหมายดิฉันดิฉันก็ไม่รู้ว่าใครเป็นดิฉันหนูหนูหนูห น, หนูก็ไม่รู้ว่าใครเป็นหนูก็สมมติกันใช่เฉยเฉยเยพระบรมศาสตราพิจารณาทุกทุกเกิดทุกเกะทุกเก็บทุกตาย เรามีความแก่เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้เรามีความแก่เป็นธรรมดาทุกจะล่วงพ้นความแก่เป็นธรรมดาทุกไปไม่ได้เพิ่มเข้าอีกเรามีความแก่เป็นธรรมดาเป็นเหตุไม่ให้ควรคิดเรามีความแก่เป็นทุก์เรามีความแก่ทุก์เป็นธรรมดา เรามีความเก็บทุกข์เป็นธรรมดาเรามีความตายทุกข์เป็นธรรมดาเรามียกพัดผ้ากากของรักของชอบใจเป็นทุกข์ธรรมดาชื่อกระชาปีปหาษาหิ้วเข้าละหายนา้ำพระบรมศาราก็จัดเป็นทุกข์แต่พวกเราจัดเป็นธรรมดาเหตุนั้นจึงคุ้นเชื่องกองทุกข์เลยว่าจะสงสารใครหายบ้าแล้ว ใครอยู่ในโรงพยาบาลศีรษัญญาก็ชาวไตโรคกระท่าอยู่โรงพยาบาลศีรษัญญาคือโรคโกดหลงบ้าโรบบ้าโกดบ้าหลงใครออกจากโรงพยาบาลศีรษัญญาแล้วก็คือพระหันจำพวกดียใช่ไหมพระสวัสดาบันละโรคโกดหลงอย่างยียบยาบได้แล้วไม่ใช่ดาจากโรงพยามิดเลย ไม่เสียด้อยากร่วงละเมิดสินห้าดังที่ว่ามาแล้วนั่นเองไม่ใช่ได้อยากร่วงละเมิดอบายจมุกไม่ใช่ได้อยากจะถืออยู่ยงคงกระพันไม่เช่ไดายอยากจะถือศาสตราอื่นไม่เสียดายอยากจะจองเวรท่านผู้ใดโกรธอยู่แต่ไม่จองเวรมึงเถอะไม่มีในพระโสดาวันใครจะภาวนาเก่งสักเพียงไหนก็ตามเจ็บรันเจ็ดเกินก็ตาม ถ้ายังเสียดายร่วงระเมิดเสียนอยู่มันก็ไม่ใช่พระโสดาบันถ้าเสียดายจากร่วงละเมิดอบายยมกุกกูมันก็ไม่ใช่พระโสดาบันเหมือนกันจะอดอาหารจนคุ้มผมคุ้มผลหล่นก็าตามจะ ย, ยืนเดินนั่งนอนอ้าปากกินลมภาวนาตลอดรุ่งตลอดค่ำก็าตามถ้าเวลาออกจากภาวนามาแล้ว เสียดาอยากจะล่วงละเมิดศีลธรรมอยู่มันก็ไม่ใช่พระสวดิาบาลเหตุ น, นั้นท่านจึงบัญญัติว่าวิปัสนาธุระก็คือปัญญาธุระเราดีๆนี่เองไม่ใช่ศีลธุระไม่ใช่สมาธิธุระวิปัสนาธุระก็คือปัญญาธุระเราดนี่เองเราดีๆนี่เองผู้ไม่มีปัญญาก็รักษาศีลไม่ได้ ผู้ไม่มีปัญญาก็ทําสมาธิไม่ได้ผู้ไม่มีปัญญาก็มารอบครอบในปัญญาเหมือนกันเหตุนั้นปัญญาจึงเป็นนายหน้าของทำทุกหมวดะผู้จะเป็นครูก็ดีผู้จะเป็นผู้ใหญ่บ้านก็ดีผู้จะเป็นกำนันก็ดีผู้จะเป็นพ่อบ้านแม่บ้านก็ดีเขาก็ต้องหาเอาคนฉลาดเอคนโง่เขาไม่เอาก็เว้นไว้แต่เอาเงินไปจ้างเอาคอร์รัปชันนะ่ะ ทีนี้เอ้าเราก็พูดสารพัดวัดเหวียงได้ไงไม่รู้ว่าคําต้นคำปลายทีนี่ท่านพูดอะไรสงสัยอะไรก็ปรนสักสงสัยเรื่องภาวนาก็ปรกมาดิฉันภาวนาไปอย่างนั้นเห็นอย่างนั้นเป็นพิจาณาไปอย่างนี้เห็นอย่างนี้หรือกับผมพิจารณาไปอย่างนั้นเห็นอย่างนั้นพิจารณาอย่างนี้เห็นอย่างนี้แล้วจะทํายังไงก็อบอกมาซะ ผู้ง่วงนอนบ่อยพว่วงนอนบ่อยซับประวกนแต่ชาติก่อนเคยเป็นงูเหลือมผู้ที่ฟังเทศน์ดักจีตอย่างนี้ีจีตอย่างนี้แต่ชาติก่อนเคยเป็นไส้เดือนผู้เกาหวัวอย่างนี้เพิ่งแต่ชาติก่อนเคยเป็นลิงพู้จะทำอย่างนี้อย่างนี้ ใจชาติก่อนเคยดูเลิกดูยามว่าฝนจะตกเรื่องไม่ตกีพระบรมศาสลาสอนไม่มนดไงพอแค่บควคาเป็นธรรมชาติของกองทุกเป็นธรรมชาติของกองทุกเรียกว่าทุกประจําสังขารนี่นี่พัทธทุก ทุกเรีองนิดคือทุกเป็นเจ้าเรือนหิวข้าวละหายน้ำปวดโอจระปัจจวะหรือปวดแข้งปวดขานี่เรียกว่านิ่พัที่ทุกแก่เก็บตายก็เป็นนิพัทติทุกทุกเรืองนิดทุกขจรก็คือโรคโกรธหลงนิพัทติทุกทุกเรืองนี้เป็นของพิจารณาให้เบื่อหน่ายส่วนทุกขจรมาคือกิเลสโรคโกรธหลงอันนั้นสอนให้ละ ท่ละอันนั้นแล้วท้าเว้นอันนั่นแล้วทุกเกิดทุกเก่ทุกเก็บ ท, ท, ทุกตายก็ไม่ต้องมาก่ออีกวิวาทะมู ล, ลทุกทุกพระวิวาทเป็นมูลกลัวแพ้กลัวชนะนี่ก็อันหนึ่งนี่พัทธทุกทุกเรื่างนิดสหคตอืมกายอเดียๆ ึกแล้วลึกยังไม่ออกทำสมาทานวางอย่างให้ทุกในปัจจุบันและมีทุกเป็นด้วยบากต่อไปคือเวลาจะทำผิดก็ไม่พอใจจะทำแต่ว่าด้วยความจำเป็นเลยทำเดยทุกใจเลยและก็มีทุกขเป็นด้วยบากต่อไปเช่นเราจะฆ่าสัตว์อย่างนี้ถ้าไม่ฆ่าก็ไม่มีที่กินว่าอย่างนั้นแล้วก็มีทุกขมีทุกข ในปัจจุบันและก็มีทุกขเป็นในบาตต่อไปอันนี้อันนี้ให้สุขในปัจจุบันและมีทุกเปในบาตต่อไปคือเราพอใจฆ่าสัตว์ใชหให้สุขในปัจจุบันและมีทุกเปในบาตต่อไปให้สุขในปัจจุบันและก็ไม่สุขเป็นในบาตต่อไปคือพอใจเว้นจากการฆ่าสัตว์ใช่ไหแล้วก็มีสุขเป็นไดบาตต่อไปดื่มสุราก็เหมือนกันยกอันหนึ่งยกข้าวสารอันหนึ่งแล้วก็เล้ยงอันหนึ่ง เข้าใจนะท่านนี่ทําสมาทานบางอย่างให้ทุกในปัจจุบันและมีทุกปไปในบาตต่อไปคือเวลาเห็นเขากินเหล้าเมายาอยู่เราไม่อยากกิ น, นแต่ว่าอดเขาไม่ได้ไม่มีวิธีจะหลีเขาได้กทุกใจอุตสาห์กินและก็มีทุกปไปในบาตต่อไปอ เราพอใจเว้นเป็นสุขใจและก็มีสุขเป็นไว่บากต่อไปให้สุขในปัจจุบันและมีทุกข์เป็นไม่บากต่อไปคือถือว่าการทำเิดเป็นของสนุกพอใจทำปวดเป็นผู้ใจถึง ถือเป็นของสนุกแต่ว่ามันก็บาปมีทุกข์เป็นเรบาปต่อไปบางท่านก็ดื่มสุราแก่ง่วงดื่มสุราแก้วุ่นวายพิบ้าจิงจริงก็พิบ้าพิพีบ้าดื่มเมื่อหายเมาแล้วก็เสียดายตังค์ด้วยเสียดายเวลาด้วยทอนกําลังด้วย ถ้าถึงพระสวัดาบัแล้วส่วนสักทาคามีอนาคามีหรือพรรน a n ก็เปิดประตูไปในตัวไม่ต้องประสมก็ได้เพราะมันมีหนทางเส้นเดียวไม่แวะไส้แวะขวาเลยไม่ถอยหลังเลยใครไม่เชืดอยร่วงลราเมืดอศีนห้าใครไม่เชื่อายอยากกระถือศาสตราอื่น ไม่เสียดายอยากจะถือเลิกดียามดีไม่เสียดายอยากจะถืออยู่ยงคงกระพันไม่เสียดายอยากจะจองเวรท่านผู้ใดไม่เสียดายอยากค้าขายเครื่องประหาค้าขายมนุษย์ค้าขายสัตว์เป็นเลเนือเือสัตว์ที่ตัวฆ่าเพื่อเป็นอาหารค้าขายน้าเมาค่าขายยาพิษการค้าขายห้ายอย่างนี้ไม่เสียดายอยากร่องระเมิดเลยเพราะได้ดวงตาเห็นธรรมดา้าปัญญาว่ามันไม่มีประโยชน์ ก็ไม่ใช่ได้อยากร่วงระมืดสิ่งไหนไม่ใช่ได้อยากร่วงระมืดสิ่งนั้นก็ไม่หนักใจศีลก็รักษาคนนั้นความดีก็รักษาคนนั้นคนนั้นไม่ต้องรักษาความดีเพราะไม่ใช่ได้ร่วงละมืดความดีก็เลยรักษาศีลเหมือนกันถ้าไม่รักษาเกรงมันจะรักหนีมันก็เป็นโคปาและศีล คือโคบานเรื่องโคลเรื่องกระบือถ้าไม่เรี่ยงมันจะรักหนีสิ่งนันไม่เสียดายอยากโลภลาเมิดสิ่งนั้นมันไม่หนักใจทีนี้มมแมลงผู้มแมลงพึ่งมันไม่เสียดายอยากโลภลาเมิดมูดพูดมันก็ไม่หนักใจใช่ไหมนะ่น ใครอยู่ระดับใดก็เอาอันั่นมามาอ้างเมลังวันก็เอาโมดคูดมาอ้ า, างเมลังพูเมลงพึ่งก็เอาเกสอนดอกไม้มาอ้างความดีคนดีทำไดง่ายความดีคนชั่วทำได้ยากความชั่วคนชั่วทำใดง่ายความชั่วคนดีทำใดยากตรงกันข้ามมันง่ายของใครของมันจงทำจิตให้บันเทือ ในการละชั่วทาดีเป็นคำสอนของพระเจ้าทั้งหลายจงเป็นผู้อาจฐานในทางทาดีเถิดอย่าเป็นผู้อาจฐานในทางทาชั่วเลยจงเป็นผู้อวดออใจถึงทางทาดีเถิดอย่าเป็นผู้อวดใจถึงทางทาชั่วเลยจงเป็นผู้มีอิสระทางทาดีเถิด ตามสติกําลังของตนอย่าเป็นผู้มีอิสระท า, ท า, นน ง, า, ทางทำชั่วเลยอย่าเป็นคนผึ่งผายทางทําชั่วเลยจงเป็นคนพึ่งผายทางทําดีเถิดจงเอาความดีมาอวดอย่าเอาความชั่วมาอวดเลย พ, พระบระมา ศ, ศาสดาสอนทําดีก็ทําทให้ตนทําชั่วก็ทําทให้ตนตนคือใจใจคือตนตามสมมุติ ทำอะไรก็ทำให้ตนอย่าถือว่าทำให้คนอื่นมีปภญหาหาสอนเข้ามาว่าเขาวานเขาหานไม่ใช่ไปทำให้คนอื่นหรอกหรือก็ทำให้ตนเขาวานเขาหามันมาทำให้เรามันก็ทำดีเราไปทำให้มันก็ทำดีสะนะคุณป้าไปไหนไปไหนมาคุณป้าเออไปนั่นดอกหลาน อีพีบ้ามึงไปที่ไหนเอ๊ะโรคใครพูดอะไนั่นก็ทำให้ตนเหมือนกันใช่ไหมมันก็เห็นอยู่ใกล้ๆเนี่ยทำดีก็ทำให้ตนทาชั่วก็ทำให้ตนพระบรมศาสดาสอนะเวลาเราเนีกลัวเรายือนอยู่เราก็ยืนจนหายกลัว เวลาเรานักเกียดข้ า, เาอนเราเดินอยู่แล้วก็ยืนจนห้หายเกียดข้ามจะพูดนเวลาเราเดินอยู่เรากลัวแล้วก็เดินจนหายกลัวเราจะชนะความเกียรข้าโด้วยความขยันของเราเราจะชนะความหลงด้วยความไม่หลงของเราเราจะชนะความยินดีในโลกด้วยความไม่ยินดีทั้ง ของเราเพราะเห็นว่าทําไมจึไมงไ่ยินดีในโลกเพราะโลกทั้งปวงมีแต่ลุ้นฐานเพลิงเราก็ไม่ยินดีสิเพลิงเกะเพลิงเก็บเพลิงตายดูเวลาไหนก็เห็นเท่านั้นไม่เห็นด้านอื่นไปอีกถ้าเกิดอีกกี่ชาติกี่ภพเราจะเกิดเราจะทาํางไงแล้วก็ใส่ปากเหมือนกันเกิดมาเป็นมนุษย์ก็ใส่ปากถ่ายก็ถ่ายออกทวันหนักเหมือนกันหรือจะถถ่ายออกท้งนี้ แล้วก็มาเกิดแก่เก็บตายอีกเหมือนกันไม่ใช่อันใหม่อันเก่าทั้งนั้นแะที่เรามาอยู่นี่ไม่ใช่อันใหม่อันเก่าของพวกเราที่เคยมาเคยมาท่องเที่ยวนั่นดีรู้จมูกที่เราหายใจเข้าออกไม่ใช่ของใหม่ก็เป็นของเก่าของเราทีนี้เขาถามว่าของใหม่กับของเก่าอันไหนดีทำไมก็ของเก่าสิมันดีใจก็ใจดวงเก่ามโนคิดตาก็ตาดวงเก่า หัวก็หัวอันเก่าได้หัวใหม่มาจากไหนเท่าก็เท่าอันเก่ามือก็มืออันเก่าไม่ได้มือใหม่มาจากไหนสวัสดีปีใหม่แต่ว่าเป็นเป็นปีเก่าแต่ใกล้จะตายกว่าปีใกล้ใช่ไหมกรอนพาไปเฉยๆเะเดี๋ย ว, ยวนังสือเอาหนังสือมาให้ไวแจกๆได้นะ อจากแล้วที่นี่จะให้รูกปูพูดอะไรอีกจนมุมแล้วเนี่ยฮะเอาคนมีกิกเลสไปบูชาทำไมที่นี่รูปทานรูปศีลลูกภาวนาพระบรมศาสดาทำไว้แล้ว แต่ว่าถ้าหากว่ามีก็เอามาให้สักไม่หรอกลูก อ, อัปารตาฟันที่นี่เขาทำมาให้ลุงปู่เขาพิมพ์หนังสือแล้วเขาเกรงว่าจะมีผู้ตัดหนังสือเ ข, เขาก็เลยพิยมพ์อันนี้ฟรี ม, มาให้ มาดูๆมาดูจะคบกันไหมเนี่ยภาวนานอนจะพริกไปคางไหนเราก็ภาวนานอนเรียกว่าเรานอนในชาญท่านพูดอย่างนั้นแต่จะทำให้เป็นระเบียบก็นอนจะแขงข้างขวาแต่มันเหนืยนเทีันหนืเนยก็ต้องหงายบ้างเนี่เดินก็ได้เหมือนกันถ้าเรา จะเอาแต่นั่งขับสมาธิอย่างนี้มันก็ไม่ทันกับเวลาเราจะนั่งเอาแต่ขับสมาธิอย่างนี้มันไม่ทันกับเวลาทีนี้เวลาเรานึกเปิดทางตามมัมมิตกเราไปนั่งขับสมาธินึกใช่ไหมย <için> <_ mail> ยืนก็ได้นั่งก็ได้นอนก็ได้ใช่ไหมเราจะไปเอาขับสมาธิหน้าเดียวภาวน า, ามันก็ไม่ทันกับกิเลสใช่ไหมยืนเดินนั่งนอนต้งได้ทั้งนั้นเพราะเรานอนอยู่นึกจะไปฆ่าเขาก็ได้ใช่ไหม เวลาท่านนานมจ้าร <anyway> ือาจะรู้สึกตัวที่แยีามะรมีวิธีิจเาะการัได้ถ้าจะกจัดทางภาวนาถ้าจะกาจัดทางปัญญาก็ได้อยู่เหมือนกัน พระเนรพนไม่มีแต่นั่งเดินก็ได้เพราะว่าฉะนั้นแล้วก็เดินภาวนาคิดไม่เบียดเบียนก็ไม่มีแต่นั่งเดินก็ได้เอาเอาปัญญามาใส่ทีนี้ทีนี้อีกแบบหนึ่งทีนี้มั่นปวดแข้งปวดขาแล้วก็บอกว่าเวทนาทุกเราไม่สําคัญว่เาเวทนาเป็นเราเราเป็นเวทนาเราไม่สําคัญว่าทุกเป็นเราเราเป็นทุกอันนี้ก็ลบออกอีกอกแบบหนึง่งเขาก็ถามเหมือนกัน ลูกปู่ลูกปู่ดิฉันภาวนาจิตไม่ว่าเออถ้าสาคัญว่าจิตเป็นตนตนเป็นจิตจิตก็ไม่ว่าถ้าไม่สําคัญว่าจิตเป็นตนตนเป็นจิตหรือจิตมีในตนตนมีในจิตจิตเป็นแต่สักว่าจิตจิตก็ว่างอยู่หน้าที่นั่นเองถ้าเรายึดถือว่าเป็นเราอันความประสงค์ของเราเราต้องการอยากจะให้มันสุขมันจะสุขมานไปที่ไหนเกิดเก่จะตาย แล้วต้องการจะไปอยู่ในอุเบกขาหรือต้องการจะให้มันจุกอยู่มันก็ไม่ได้ถ้ามันมีแต่จุกมันก็หนีจากโรคไม่ได้เย่ยมันก็ต้องมีทุกข์ให้เคล็ดหลาบถูกไหมนะสาคัญว่ากายเป็นตนตนเป็นกายก็ข้ามกายไม่ได้สาคัญว่าเวทนาเป็นตนตนเวนเป็นเวทนามันก็ข้ามเวทนาไม่ได้ สำคัญว่าความจําเป็นตนตนเป็นความจํามันก็ข้ามความจําไม่ได้คือสัญญาสังขารความปรุงแต่งแห่งจิตสําคัญว่าเป็นตนตนเป็นความปรุงแต่งแห่งจิตมันก็ข้ามลูกขันน้ำขันมาได้ถ้าสําคัญว่าลูกขันน้ำขันเป็นตนตนเป็นลูกขันน้ำขันมันก็ข้ามไม่ได้ถ้าสาคัญว่าโลกเป็นตนตนเป็นโลกมันก็ข้ามโลกไม่ได้อีกเหมือนกันนะคำชั้นสูง ถ้าสำคัญว่าตาเป็นตนตนเป็นตามันก็ข้ามตาไม่ได้ถ้าสำคัญว่าเสียงเป็นตนตนเป็นเสียงมันก็ข้ามเสียงไม่ได้ถ้าสำคัญว่าจมูกเป็นตนตนเป็นจมูกมันก็ข้ามจมูกไม่ได้นั่นทำชั้นสูงชั้นสูงที่ชุดของมุพุทธศาสนาเลยเข้าใจนะเมื่อทาชั้นสูงของมพุทธศาสนาอยู่ที่ใดศีลสมาธิปัญญาชั้นสูงก็อยู่ที่นั้น เงือออกยังอ่นหรือเงือออกนะ ừ. พูดดังๆเอาเนี่ยไปลูกปูหัหนวกพูดดังๆเออเข้ามาพูดแค่นี้เอา ดิฉันนั่งไปนะคะนั่งไปนานสักหน่อยแล้วจะมีเหงื่อออกแล้หมุนค่ะหัวหมุนค่ะเป็นบางทีเป็นบางเหงื่อเหงื่องือออกเหงื่อเหงื่อออกเหมือนจะเป็นลมอย่างหนึ่งก็เป็นด้วยบุพกรรมก็มีนะหรอเปาออกก็สร้างหัวมันออกหมดตัวเลยคนะ่ะเออออกก็าาาตามมันสร้แล้วหมุนหัวหมุนเออ มันออกก็พิกรารปฏิกูลสิ<ะ>มันออกก็พิกรารปฏิกูลบอกว่าในสกุลกายนี่เป็นของปฏิกูลมากเมื่อก็ออกเหมือนสาบว่าอย่างนั้นมันออกก็ช่างมันสินบางทีมันบางทีมันปว ด, ดทายก็ไปทายมันทนไม่ได้ค่ะฮะมันทนไม่ได้ก็ต้องออกจากตัวไปไรเออพระนิพพานไม่มีแต่นั่งเราก็เดินนี่ เดินหนื่อยเพราะมิจฉาภัยไม่มีแต่เดินเราก็นั่งเดินภาวนาทั้งนั้นผู้กําลังเดินภาวนาก็สําเร็จภารานผู้กําลังนั่งก็สําเร็จภารานผู้กําลังนอนก็สําเร็จภารานผู้กําลังนอนก็คือพระอานนุ์เออเราทําความเพียรเหนื่อยมาแล้วเกยหัวลงอย่างนี้หัวอยางกระดึ ง, งจดหมอนก็สําเร็จภารันอินดียาบทยืนเดินนัง่งนอน มีพระสวัดาบัณฑ์สำเร็จพระสวัาดิบัณฑ์สัจธรรคามีนาคามีประสานได้ทั้งนั้นก็มีอยู่ทุกๆกท่านมีอยู่ทุกอริยบทผู้สำเร็จปรานแต่ผู้ลงนรกก็มีอยู่ทุกอริยบทเหมือนกันโแต่บางที่จะเห็นเป็นคนแก่แล้วก็มีเด็กด้วยเห็นเป็นคนแก่เออดีเห็นคนแก่เราจะได้น้อมเบื่อนายคนแก่อีก เห็นคนแก่เราก็นอมาหาเราว่าจะแก่เรียกว่าเห็นคนแก่เห็นคนเก็บเราก็นอมาหาเราว่าจะเป็นคนเก็บเห็นคนตายเราก็นอมาหาเราว่าเราจะตายอย่างนั้นเห็นคนเรียกพัดภาคเสมือนกันอันนี้ก็เรียกว่าเห็นคนแก่คนเก็บคนตายถ้าเห็นแล้วมันในนอมใส่ตัวมันก็เรียกว่าไม่เห็นแล้วแล้วบางทีนะคะลมหายใจไม่มีคะแล้วจะปฏิบัติอย่างไรต่อไปลมหายใจไม่มีมันมีอยู่สองอย่าง จิตทวงซ่านมันก็ไม่มีแบบหนึงมันเข้าไปละเอียดแล้วมันก็หายไปอันนั่นช่างหัวมันมันเข้าไปละเอียดหายใจละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปแล้วมันก็หายไปมดกําลังมันสอนออกมาดอกให้มันอยู่สะกอย่าไปรบกวนมันเหมือนเด็กเมื่อมันนอนหลับเราไปรบกวนมันเดี๋ยวมันร้องไห้ะจะให้ภาวนาต่อไปอย่างไรคะเดี๋ยวเดียว มันถอนออกมามันถอนออกมาเมื่อมันถอนออกมาแล้วก็บอกว่าเออทำชั้นนี้ก็อยู่ใต้อำนาจอเนจังบุญชั้นนี้ก็อยู่ใต้อำนาจนจังไม่ควรไหวใจมันก็จะสอนตนอย่างนั้นบุญชั้นนี้ก็ยังไม่เที่ยงยังถอนออกมาอยู่ก็คืออนนจังในทางกุศลทางกุศลก็เป็นอนนจังเหมือนกันชวนเนือบุญเนือ้อบาปไปจึงไม่เป็นอเนจังคือพระนรพน เข้าใจนะสีนี้ แ, แต่อันนี้จังทางบาปควรเว้นอันนี้จังทางบุญควรเจริญอะไรก็อนนี้จังหมดเลยทำไปทั่วแล้วอย่างนั้นมันก็ไม่ถูกอันนี้จังทางบาปต้องเว้นเข้าใจนะสีนี่เข้าใจแล้วคะ่ะเออเข้าใจแนละ้วคนฉลาดนี้ทําไมจะไม่เข้าใจอ พอกันไหมล่ะนัอันนี้พอกันได้หรือยังฮะพอหมดแล้วอโอ้พวกเขาพิมมาเขาจะได้บุญมากทีนี่จะปาลอบอะไรก็ปาลอบอีกสักใครจะปาลอบอีก น, นานๆจรงจะได้ไมาเจอกันอ่นนมีคนบาดเจ็บพวกสองห์ มีคนเชื่อเป็นต้นว่ามีาลือเกี่ยวกับมีมูดเนี้มีปีศาจเกิด อ, อะไรแล้วไปมูพากราบไหว้แล้วก็ได้ของนั้นมาแล้วก็ด้วยเจ้าของมีพวกลาไปโจง่าไปขออย่างนั้นนี่พวกนี้เป็นอย่ในพวกไหนต้องไปแก้ยังไงพวกนี้ถือ อ, อ, อยู่ในศิยปศาสตร์ เราแก้เขาไม่ได้หรอกแต่เขาเห็นโทษอนนั้นเขาวางเองแล้วก็บอกว่าแก้ว่าอันนั้นไม่ใช่ทางพวกถือหน้ามน่าเดียวเหมือนกันถ้าอยางนั้นก็ไปรถแต่บันนมหรูๆ <laughs> อันนั้นเขาถือศยาศาสตร์แต่เมื่อเขาเห็นโทษแล้วเขาวางเองเขาหรอก เห ม, มันมาแรงวันถ้าเราไปไล่มันออกจากมู่คููดตะบานตัวมันบินหนีเรามันจับปากเราเอางกัมมนาวัตติโลโกสัตโลกเป็นไปตามกรรมใครอยู่ระดับใดก็อ้างอิงว่าระดับนั่นถูกส่วนพระทหารท่านอยู่ระดับไม่มีกิเลสท่านก็อ้างไม่มีกิเลสของท่านส่วนพระอนาคามีท่านก็ไม่มีโรคไม่มีโกรธแล้วก็เอา ท่านก็เอาอันนั้นมาอ้าของท่านใครมีอันไหนก็อ้างอันนั่นแ่ะอุงลุงดูครับวันนี้พวกเราได้มาทำการสอดสานของวัดที่นี่มีมาทำการที่พวกเราว่าอาจารย์ลุงปูมันลุงปูมันครับ้องปูมันไม่พี่เ เพราะว่ามีเขาท่านที่ได้อย่าัไก็มีการสับสถึงคนพูดไร้ยางว่าไงว่าเป็นจริงเป็นไปได้ขนาดว่าทเป็นพหรือเจ้าที่าอหาบอกเป็นแก่ไปอะไรมันเป็นความจริงอะไรอไรเป็นจริงอยู่เป็นจริงเป็นเป็นจริงอนี้เป็นจริง เป็นจริงเพราะท่านคงเป็นพระอรหันต์แล้วเป็นจริงเป็นจริงมากกระดูกของพระอนาคามีขาวมากกระดูกของพระโพราวันก็ขาวเป็นําดับไปกระดูกของพระอาราหันต์ต้องผิดธรรมชาติ เป็นธรรมชาติของคนธรรมดามากแล้วต่อไปไม่กูมีเรื่องหนึ่งที่สงสัยอยู่อ ย, ยากกินวิญญาณคือพระย่าๆรือว่าใครก็ตามที่ตายไปแล้วมาแสดงให้ฟังมาแสดงเอาละเข้าเข้ า, ขามาได้มาได้ มาได้มาได้เพราะเหตุใดเพราะธรรมะของเราออกแสดงไม่ใช่ท่านมาเพราะความเชื่อถือของเรามีเช่นเราภาวนาเห็นพระบรมศาสตรามาก็เหมือนกันก็พระธรรมะของเราออกแสดงให้เห็นธรรมะของเราเองออกแสดงให้เห็นไม่ใช่ท่านมาถ้าว่าต่างฝ่ายต่างเข้าสู่พระนิพพานกันไปแล้วก็หมดเรื่องกันไม่ได้ว่า ถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีขันเวีบาตอยู่ก็ต้องแสดงเป็นขันเวีบากมาให้เห็นถ้าต่างคนก็ต่างที่ลมปลานไปเป็นพระอรหารแล้วอันนั้นก็มาเห็นไม่ได้มาเพราะมีแต่ทํารนร้ว น, วนถ้าทางหนึ่งยังมีรูปขันใช่รูปขันอยู่ก็เป็นสมมติมาให้เห็นเข้าใจนะที่นี่นะที่ว่นนวร า, อ า, อารู้ด้วยตาที่รู้ที่ด้วยญานี่พวกมนุษย์พวกเรายังปัญญาครับ ก็ยังไม่ถึงขั้นนั้นแต่ว่าสมมติว่าเคยมีเรื่องเล่าอะไรที่ท่านรู้นะพูดอะไรหรือะไรนี่เรานี่รับอยู่อย่างไรจริงหรือไม่อย่างไรที่รับไเป็นจริงเป็นจริงอยู่มือนกันไม่ไม่มีที่รับเฉพาะเฉพาะผู้ปราถนาที่นี่อ้าจะย่อนจะอธิบายเรื่องปัญญาทีนี้ เราเห็นอเ น, นจังคณะคิดหนึ่งแล้วก็เราก็เ ล, เลยสิ้นความสงสัยในโลกทั้งปวงว่าจะไม่เป็นอื่นนอกจากอเ น, นจังอย่างนี้จะเรียกว่าเราสอนทะลุโลกด้วยปัญญาหรือไม่เราเห็นภููเขาภูเขาเรานอบลงสู่อเ น, นจังเพราะภูเขาจะแตกสลายอย่างนี้เขาเรียกว่าเรารู้เท่าภูเขาใช่ไหม คนเกิดมาเท่าใดก็ต้องตายเท่าใดก็เรียกว่าสัตว์ทั้งหลายเกิดมาก็เรียกว่าตายทั้งหมดก็เรียกว่ารู้เท่าสัตว์ทั้งหลายในตอนนี้ใช่ไหมนั่นถ้าถ้าไม่อย่างนั้นก็ไม่มีท่านผู้ใดจะข้ามความหลงของตนไปได้ใช่ไหมนั่นเราเห็นอะไรในปัจจุบันชัดอดีตอนาคตในตอนนั้นเราก็ไม่สงสัยใช่หรือไม่นั่น เราเห็นความเกิดชัดในปัจจุบันข้อมเกิดในอดีตอนาคตรเราก็ไม่ต้องสงสัยใช่ไหมทีนี้เยวๆ ว, ว่าในการนับที่ทพระมหาสารีบุตรนับเม็ดินเม็ดทรายในท่อมหาสมุทรได้ตลอดถึงเม็ดแดดเม็ดลมเม็ดฝนเป็นของจริงหรือไม่ไม่ทราบ นับเม็ดหินเม็ดทรายเม็ดแดดเม็ดลมเม็ดฝนได้มีเท่าใดก็นับได้พระมหาสารีบุตรเชื่อหรือไม่เชื่อแต่ลพบปู่เชื่อร้อยเปอร์เซนยกุ้าหอนธาตุสี่ปฐวีธาตุคือธาตุดินอาโปธาตุคือธ า, าตุน้ำเตโชธาตุคือธาตุใจ วายโยาคือธาตุลมลักษณะอันใดแั็นแข็งธาตุนั้นเป็นปัทวีธาตุปัทวีธาตุนั้นที่เป็นภายในคือผมขนแลือดฟันยังเลือดกระดูกยัเนื้อกระดูกมากพอใจรับความผือใจปอดใส่ใส่น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าธาตุอันใดมีลักษณะเอึบอาบธาตุนั้นเป็นอาโปธาตุอาโปธาตุนั้นที่เป็นภายในคือดีเสดน้องเลือดเงือบนนนมันค้นน้าตาเรืมาันน้าลายน้ํามงน้ำไข้ข้อน้ำมูด ธาตุอันใดมีลักษณะพัดไปมาธาตุนั้นเป็นวายโยธาตวายโยธานั้นที่เป็นภายในคือลมพัดขึ้นเบื้องบนลมพัดลงเบื้องต่ําลมใรียนท้องลมเรียนไส้ลมพัดไปตามตัวลมหายใจเข้าลมหายใจออกธาตุอันใดมีลักษณะร้อนธาตุนั้นเป็นเตโชธาเตโชธาตุนั้นที่เป็นภายในคือไฟที่ยังกายให้อบอุ่นไฟที่ยังกายให้รุ้สึไฟที่ยังกายให้สูวนทบกข์ทวายไฟที่เผาอาหารทางย่อยทีนี้อันนี้พูดไปเพื่อให้เข้าใจหลายอย่างเฉยๆหรอกทีนี้ เดี๋ยวนี้รถปูก็นับเม็ดหินเม็ดทรายในยท่อมหาสมุทรได้แต่กิเลตรถปู่มีว่าแต่ว่ารับได้รถปูนับยังไงสิ่งไหนที่มีลักษณะแข็งแข็งก็จัดเป็นพัทเวทธาตุดินจะมีอยู่เม็ดหินเม็ดทรายจะมีอยู่ในที่ไหนก็าตามสิ่งที่เป็นของแข็งเอกพัทธวีธาตุหนึ่งดินสิ่งไหนที่เป็นของเหลว เอกอาโปธาตุหนึ่งน้ำสิ่งไหนที่พัดไปมาเอกวายโธาตุหนึ่งลมสิ่งไหนที่ร้อนจะมีอยู่ที่ไหนก็ตามเอกเตโคธาตุคือหนึ่งไฟหนึ่งดินหนึ่งน้ำหนึ่งไฟหนึ่งลมทีนี้ถ้าจะไปนับเป็นจำนวนล้านๆโกดๆผู้นับก็ผีบ้าผู้ไปเป็นกรรมการก็ผีบ้า มันจะกี่วันยึงจะเสร็จเนี่ยถูกไหมนั่นก็ต้องนับอย่างนั้นทีนี้สัพพทุกทุกเกิดทุกเก่ทุกเก็บทุกตายสัพพะทุกต้องป้วงย่นลงมาหาเอกะทุกสัพพทุกย่นลงมาหาเอกะทุกในปัจจุบันสัพพทุกในโลกย่นลงมาหาเอกะทุกในปัจจุบันสัพพะตายในโลกย่นลงมาหาเอกะปัจจุบันพ่อมกับลมหายใจเขาออกตายถ้าอย่างนั้นก็ไม่สิ้นความสงสัย ถูกไหมปัญญาญาปฎิสุทธิบุคคลจะปฎิสุทธิขั้นไหนๆก็เพราะปัญญาปัญญาโลกาสเมปัชโชโตแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มีแสงสว่างอันนี้มันมีที่กําบังส่วนพระปัญญาไม่มีที่กาําบังสองทะลุภูเขาเพราะภูเขาจะอยู่ใต้อํานาจในขณะนี้จังจะแตกสลายเป็นฟองถึงแผ่นดินแผ่นน้ำแผ่นไฟเป็นลมจะแตกสลายเป็นก็เรียกว่า แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มีถูกไหมทีนี้หน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนล้านถ้าเราเราย่อนลงมาแล้วก็ย่อนลงมาหาลักหน่วยใช่ไหมนับ น, นี่เราพูดมากเราก็มากออกไปจากนี่นี่ถ้าย่อนลงมาก็ย่อนลงมาหาใจใช่ไม้มนี่คนตายพูดอะไรเป็นใช่ไหม ดููดถามก็ขันขันเหมือนกันนะอ้อใครจะถามอีกเอาที่นี่เวลาชั่วโมงหนึ่งได้ไหมโอ้ถ้าอย่างนั้นเอาเถอะให้ภาวนาซะ นอนหลับคาภาวนาทุกท่านเนอะเดี๋ยว เ, ย ว, เวลาปวดอุจจราพั ต, ต้าจะฝึกกันเนอะพากันไปพระบรมศาสด า, า, า, า, าสอนว่าเธอไปอยู่ภูเขาเธอจองจำทิศตะวันตกตะวันออกไว้ให้ดีเวลาเธอตื่นขึ้นลุกขึ้น ยังไม่รู้ทางคิดจะไปเธออย่าไปเดี๋ยวเธอจะไปตกเหวต้องรู้ว่าเราผินหัวไปทางไหนทิศตะวันตกวัอนออกทิศเหนือทิศใต้อยู่ทางใดเธอให้พิจารณาเสียก่อนจนไปเธอเพื่อพลาดไปเดี๋ยวตกเหวพระบรมสารีดาพระบรมสารีาสอนในวัดเนี่ยนี่ทิศตะวันออกเนี่ยนี่ทิศตะวันตกเนี่ยนี่ทิศเหนือเนี่ยนี่ทิศใต้เนี่ยนี่กรุงเทพอยู่นี่ สารสินมุกดาหารอุดรสกลทาง้องเราคือนี่ถ้าปวดปัสสาวะก็ต้องไปให้ถึงห้องน้ำเนอะไปให้ถึง ห, ง, ง, งห้องน้ำไปทางนี่เนอะนี่สองห้องน้ำอาทางนี่ถ้า ถ้าถ้าไมไปถึงห้องน้ำก็จะแวะไปทางที่ป่านี้ก็คงได้ออกไปจากประตูแล้วก็แวะแต่ในในในเขตนี้ห้ามเนี่ย <c oughs> เสีด่ดีห้ามเยใครที่นี่จะบอกวิชาให้อันหนึ่ง แต่รู้แล้วก็ต่างต่างทวนความรู้ว้เขาบอกว่าเขาไปในรถในเรือเขาเห็นคนคนหนึ่งเขาตั้งเกตเป็นพิษปกติไปใ น, ในรถไปในเรือมันปวดอุตแต่ระทีมม่มันม่มีไม่มีที่ไป ที่นี่เขาก็เลยหาวอบายพูดโตไ ป, น, ไปนังนะะ่งรถไปที่หนึ่งโตปวดอุดจะละหลายะะตตตโตอะรลุกออกผมเลยไม่เงี้ยหู ด, ดัง <laughs> มันเลยเศ้าปวดเลัตอนนี้เลยเศ้าปวดเลยพูนึ่น นั่งล่างหนึ่งมันปวดอยู่ห น, น่ะนา่งหนึ่งเขาเห็นนั่งนั่นแหละปวดมันเลยถอนขนมาไยฮู้ดาวจาเพาิกขึ้นไปขีสัตออกรอผู้ตัวระวัใไงดีเ น, นะผู้ตัวจะไปเห็นเนาะ อันนี้แปลว่าเป็นค้ามไ้หัวเราะเพื่อว่ามันผู้ใดมัเหงานอนเกียงอยู่ดอกตูนี้อะไนน้อห้พราะน้อยเนาะเอามีเนี่ยถามก็ถามอีกสักพราะอะไรเายัคาวานิวาฮาปุรณะปริปุริสิตาคะละอิเมีวายโตทินนางเปตานางุปกะปติอิจิตังวจิตังตูมหังกิเมีวะสมิสจตุ เเพผุเรนทุสังกปาจันโทกนารโสยะธามณิโชติสโสยะธาสจพีตโยเยวัจจันตสัพะ โ, โ, โสโคสัพพะ โ, โยสัพพะ โ, โรภโเโวนัตสะตุมาเตปวัตตันตรายโยสุขีตีขาโยโคภาวะอภิวาตนาสีดิสสานิจจังมุตตาปะชายโนฉัตารูธมาวัตตันติอายุวนูสุขังพระลังด้วยเดชพระพุทธศาสนา อันทรงพระคุณข้าม่มีประมาณแล้วก็ทรงมีอยู่ทุกการด้วยไม่ขึ้นอยู่กับผู้รู้และไม่รู้ไม่ขึ้นอยู่กับผู้เชื่อและไม่เชื่อแล้วก็เนื้อโลกอยู่ทุกยุคทุกสมัยทุกการทุกเวลาทุกขณะด้วยเมื่อเป็นอย่งนี้พวกเราทั้งหลายที่มาในที่นี้ก็ดีที่ไม่ได้มาในที่นี้ก็ดีทั้งทั้งใจโลกาพอดีทั้ ง, งทั้งใจจักรวาลพอดีจงประสบจากความสุขความเจริญในบวรพ ร, ระพุทธศาสนาของพระสมานพระพุทธเจ้ายิ่ ง, งขึ้นไปจนถึงที่สุดทุกโดยชอบ ทุกต้นหน้าอยู่โดยทุกเมื่อเธอ